มงคลชีวิตมงคลที่21สอความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายอัปมาโทจัธรรมมีสุเอตัมมังคลมุตตมังความไม่ประมาทชื่อว่าอปะปมาทะ ความไม่ประมาทในการเจเริญและรักษากุศลธรรมไว้หรือความอยู่อย่างไม่ปราศจากสติในกุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นปฏิปักษ์กับความประมาทชื่อว่าความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายลักษณะของคนประมาท1่ ผู้ที่ไม่รู้ว่าตนเองเป็นคนพาลสำคัญว่าตนเป็นบัณฑิต 2. ผู้ประกอบอยู่ในทุจริตทั้งหลายเช่นการฆ่าสัตว์เป็นต้น 3. ผู้เกียดคร้านการงานมากด้วยข้ออ้างเช่นหนาวนักร้อนนัก 4. ผู้ไม่เห็นทุกข์โดยความเป็นภัยใหญ่ จึงไม่หาทางออกจากทุกข์ 5. ผู้มัวเมาอยู่ในปุจรพัญญาทรัพย์ไม่คิดถึงธรรมที่ประนีตบ้าง<ม>ความสำคัญของความไม่ประมาท<ม>การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับการประพฤติปฏิบัติและการกระทำทุกอย่างระมัดระวังตัว ไม่ถลามลงไปในทางเสื่อมไม่ยอมพลาดโอกาสสําหรับความดีงามและความเจริญก้าวหน้าตระหนักในสิ่งที่พึงทําและพึงละเว้นใส่ใจในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่เสมอผู้มีกัลยาณมิตรพึงเป็นอยู่ด้วยธรรมเอกนี้คือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย จัดเป็นมงคลเพราะ 1. เป็นเหตุให้อริยะมรรคสมบูรณ์ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ 2. เป็นเหตุให้ประสบความสำเร็จในอาชีพและการศึกษาเป็นต้น 3. เป็นเหตุให้เจริญในกุศลธรรมทั้งหลายคือทานศีลและภาวนา 4. เป็นเหตุให้ได้รับประโยชน์ในโลกนี้โลกหน้าและประโยชน์คือ น, นิพพาน